แต่ว่าก็ก็ยังเห็นแอบเห็นเห็นพ่อแอบสูบบุหรี่อยู่เป็นครั้งคราวจนกระทั่งล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องไปใช้แสงนะต้องไปฉีดเคมีโออาการก็พงพ่อก็แย่ลงพ่อก็ยังสูบบุหรี่อยู่นั่นแหละสุดท้ายเขาก็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 เขาไม่แครไม่สนใจความปรัชนาดีของเราพ่อก็ปฏิเสธว่าพ่อไม่ได้สูบพ่อเลิกมาได้หลายเดือนแล้วพูดพ่อแบบพูดแบบนี้เขาก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ว่าหลักถามเป็นคาหนังคาเขาแล้วก็ยังปฏิเสธยิ่งโกรธยิ่งแค้นยิ่งโกรธก็ยิ่งโมโหก็ยิ่งว่าพ่อแรงนะ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 เขาก็เดินไปที่ระเบียงบอกกว่าที่ระเบียงก็ยังมีก้นบุหรีอยู่เป็นก้นบุหรีใหม่ๆด้วยเขาก็เอจใจขึ้นมาเอ๊ะพ่อไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วทำไมก้นบุหรีมันยังมีอยู่เขาก็มองไปข้างบนก็บังเอิญได้ยินคนคุยกันก็เลย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 ไม่หลงเชื่อความคิดนะนะแล้วก็จะต้องคิดเผื่อเอาไว้ว่าอาจจะมีความจริงอาจจะเป็นในรูปอื่นก็ได้หรืออาจจะมีเหตุอื่นก็ได้ที่ทําให้มันมีก้นบุรี่ตกลงมานะที่ระเบียงพระเจ้านี่เคยตรัสนะเรื่องกลามาสูตรนะกลามาสูตรเนี่ยก็คือข้อเตือนใจสิบประการ ข้อแรกเนี่ยก็คือว่าอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเป็นเป็นอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะล่าลือกันมาหรือพูดต่อต่อกันมานะพูดงอย่าหลงเชื่อข่าวลือ น, นั่นเองอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นข่าวลือแล้วก็ข้อรองรองลงมาเนี่ยก็จะมีข้อนบอกว่าเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถือหรืออย่าเชื่อเพียงเพราะาสรุปเอา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 แต่ว่าการอนุมาหรือการสรุปของเราก็อาจจะผิดได้นะคนทุกวันนี้เนี่ยนะเชื่อความคิดตัวเองง่ายเนะชื่อไม่เท่าไหร่นะซ้ำยังด่วนสรุปด้วยนะเกิดอะไรขึ้นมาก็รีบสรุปแล้วเราไม่ยอมคิดเผื่อเอาไว้อนะที่ไม่คิดเผื่อก็เพราะว่าพอ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 สองคนนั้นพังยับเยินพ่อเนี่ยตายกระทันหันนะส่วนลูกนี่อาการร่อดแร่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็รีพาส่งโรงพยาบาลท่านนั้นี่โรงพยาบาลนี่นะรามาอาการคนไขน้นี่นะสาหัสมากนะก็ต้องมีการผ่าตัดด่วนแล้วก็โดยเพราะผ่าตัดสมองเนี่ยเพราะว่าได้รับการกระทบกระเทือนมาก ก็มีการแจ้งนะให้สัญญาแพทย์หรือหมอพาตัดรีบมาผ่าตัดทันทีเลยแต่ว่าสัญญาแพทย์นี่พอมาถึงเตียงคนไข้เนี่ยพอรวกพอเห็นหน้าคนไข้แกก็ตรวจแข็งเลยนะบอกว่าผ่าไม่ได้เขาผ่าไม่ได้นะคนไข้คนนี้เพราะว่าเป็นลูกเขาเองเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ย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 แล้วมันจะเราจะอธิบายว่าอย่างไรหลายคนที่ใช้เวลานานนะก็ยังตอบไม่ได้ว่าถ้าเด็กไม่หลงลืมไม่เผลอเลยแล้วก็เจ้าของร้านก็ทอนเงินถูกต้องแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรมีเงินยี่สบนะซื้อของห้าบาทนะซื้อของ5้าบา ท, นะออบาทเมื่อกี้ลืมบอกไปนะซื้อขนม5้าบาท คนไข้เจ้าของก็ทอนมาห้าบาทนะมันผิดหลักคณิตศาสตร์นะแต่คำตอบคือว่าเด็กเนี่ยนะมี20บาทก็จริงแต่ว่าเขาตอนที่เขาเอาเงินให้เจ้าของร้านนี่เขาเอาเงิน10บาทให้นะใช่ไหมแต่ว่าใจเราเนี่ยน้ํานึกภาพไปแล้วว่าเด็กเนี่ยเอาเงิน20บาทให้พ อ, เ, อเงิน20บาทให้ทอนมา5้าบาท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 เราอย่าไปอย่าไปหลงเชื่อความคิดง่ายๆนะหรือว่าอย่าไปด่วนสรุปนะคนที่เสียพูดเสียคนเนี่ยนะเพราะด่วนสรุปนี่ก็มีเยอะแล้วนะบางทีความคิดเนี่ยมันก็สั่งให้เรานะสั่งให้เราพูดสั่งให้เราดา่านะสั่งให้เราทาร้ายข้าของ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 คิดจนเป็นบ้าก็มีคิดตนเครียดก็มีนะโดยเพราะไปคิดถึงเรื่องอนาคตเที่ยงมาไม่ถึงก็ทำให้วิตกกังวลจนกลุ้มอกกลุ้มใจล้วเราเนี่ยในเมื่อเราคิดเก่งแล้วคิดไวแล้วเนี่ยเราจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือความรู้จักทักท้วงความคิดไม่ผีผามด่วนสรุปนะ บางครั้งเราก็ต้องรีบสรุปแต่ว่าเราก็จะยังไม่เชื่อมันร้อยเปอร์เซน์ะเราก็ต้องคิดเผื่อไว้คนที่จะรู้จักทักทวงความคิดนะอันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยสติมากเลยนะเพราะถ้าไม่มีสตินี่เราจะผีรามกระโจนเข้าไปนะตามความคิดแล้วก็ปล่อยให้ความคิดนี้มันลากลู่ถู ก, กลังไป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 แต่เป็นตาเป็นใจเราต่างหากนะที่มันเปลี่ยนไปตอนที่เราเห็นเขามีพิรุธเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาขโมยแต่พอเราพบความจริงว่าเขาไม่ได้ขโมยนะไอสิ่งที่เราเห็นมันก็แปลเปลี่ยนไปไอความคิดว่าเขาขโมยเนี่ยมันทําให้ตาเนี่ยนะของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปได้ที่จริงตาไม่ไม่เพี้ยนหรอกแต่ว่าเราไปสรุปไปตีความว่า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 นะคนนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ยิ่งมั่นใจนะ ว, ว่าตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ที่พบว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ใหญ่ๆสะเทือนขวัญสะท้าโลกเนี่ยคนอเมริกันเนก็ยังจำผิดนะไม่ได้จำผิดแค่ 5% 10% นสะจำผิดถึง 40% ซของคนที่เขาทำการศึกษาวิจัย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 ตอนเกิดเหตุการณ์แต่ความจริงคือว่าเขาอยู่บนอยู่ในออฟฟิศนะเ้าอยู่ในออฟฟิศออฟฟิศกับถนนนี่มันคนเละเรื่องกันนะแต่ว่าก็มีคนตอบแบบนี้นะทั้งที่มันไม่น่าจะตอบผิดนะ <M: Yeah. c oughs> ความจําคนเราเนี่ยมันเพี้ยนได้นะ <c oughs> เป็นไปได้ว่าคนค น, นนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์สเปกันยาหรือวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาจจะลงมาที่ถนนด้วยนะแต่ว่า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 ตอนปีสองเกานี่มันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกนะคือเหตุการณ์ลงไปฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลประเทศรัสเซียเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุระเบิดนะยิ่งกว่าฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นเมื่อสี่ปีที่แล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่อเมริกาเขาก็รีบสอบถามนักศึกษาในชั้นทันทีเลยนะว่าตอนเกิดเหตุการณ์เชอร์โนบิลเนี่ยหรือตอนที่ได้ยินข่าวเนี่ยคุณอยู่ไหน อยู่กับใครและกำลังทำอะไรนะแล้วก็3มปีต่อมาเขาก็ไปถามนักศึกษากลุ่มเดิมบอกกัว่า44คนเนี่ยตอบผิดหมดเลยนะทั้ง44ี่คนนี้ตอบผิดนะแล้วก็มี11คนหรือหนึ่งในสตอบผิดทั้ง3าข้อเลยคือตอบผิดว่าฉันอยู่ไหนฉันอยู่กับใครและทำอะไรแค่3มปีเท่า น, นะบอกกัว่าความจำเพี้ยนนะ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 งั้คนที่รู้จักตัวเองรู้ทันความคิดนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องรู้จักทักท้วง ม, มันบ้างแม้กระทั่งความจําก็จะไปเชื่อมันสติสําคัญมากในที่ที่ทาให้เรารู้ทันทั้งความคิดแล้วก็ความจำํำไม่ไปตกเป็นท่าของมันเอาละคํานี้กนะ็พึงกระทนีนะกรับครับ